ในหัวข้อเรื่องว่าสังขตรลักษณะสามคือหนึ่งความเกิดขึ้นปรากฏสองความดับปรากฏสาเมื่อยังตั้งอยู่ความแปรปลีนปรากฏประการแรกขอให้นักศึกษามาทําความเข้าใจกับคําว่าสังขตรลักษณะเสียก่อนคําว่าสังขตรลักษณะ แปลว่าเครื่องหมายแห่งสังขารอันปัจจัยปรุงแต่งย่อมเป็นไปตามคติแห่งธรรมดาหรือถ้าจะพูดง่ายๆก็คือว่าลักษณะแห่งสังขาร น, นะลักษณะแห่งสังขารใ น, นพูดทับศัพท์หรือว่าลักษณะแห่งสังขารที่มีปัจจัยปรุงแต่งนะมีสามอย่างคือหนึ่งความเกิดขึ้นปรากฏได้แก่ความเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง อันปรากฏอยู่ในโลกบัดนี้เพิ่งเห็นว่าความเกิดขึ้นของมนุษย์เป็นตัวอย่างคูอหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตนั้นมันก็อุบัติขึ้นมันเกิดขึ้นนี่อันนี้เรารู้เราเห็นเราสราบจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเป็นสังคตะลักษณะคือหมายถึงว่าเป็นลักษณะของสังขารที่มีปัจจัยปรงแต่งเกิดขึ้นแล้วประกรที่สอง ความดับปรากฏได้แก่ความแตกดับแห่งรูปกายอันปรากฏอยู่ในโลกข้อนี้พึงเห็นความตายแห่งมนุษย์เป็นตัวอย่างหมายความว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายนี่เราพิจารณ า, อ, าอย่างหยับหยาบสองอย่างคือเกิดมาก็ต้องตายฉะนั้นเมื่อคนเกิดมาแล้วเรารู้เราทราบ อ, าอาแล้วก็จะต้องตายแต่เราไม่รู้หรอกว่าจะตายเมื่อไหร่ จะตายเดี๋ยวนี้วันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้เราไม่รู้เราไม่ทราบแต่เรารู้แน่ว่าจะต้องตายนะเรารู้แน่ฉะนั้นนี่แหละเราจึงบอกว่าลักษณะของอสังขารที่มีปัจจัยปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างบรรดามีอยู่ในโลกเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตายนะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตายเพราะว่าธรรมดาชีวิตเป็นของไม่แน่นอนแต่ว่าเราต้องนอนแน่แต่ต่างแต่ว่าจะนอนเมื่อไหร่ นั้นเราไม่รู้เราไม่ทราบนี่เราทราบส่วนในเรื่องว่าความดับปรากฏนั้นก็หมายถึงว่าความดับแห่งรูป ก, กายแห่งโลกกายแห่งสังขารพูดถึงว่าแห่งสังขารปรากฏอยู่ในโลกออันนี้เราเห็นบ่อยเห็นคนตายเห็นสัตว์ตายเห็นนกตายเห็นปลาตายเนี่ยเราเห็นทั้งนั้นสารพัดสัตว์ที่ เ, เห็นตายแต่ว่าจะตายด้วยโรคอะไรหรือมีอุปสรรคอะไร อาจจะบางสัตว์บางอย่างก็อาจจะถูกเขาฆ่าตายบางอย่างก็อาจจะถูกรถทับตายบางอย่างก็อาจจะมีการทำศึกสงครามกันแล้วก็ตายในสงครามสู้กันตายบางอย่างก็ถูกพวกเดียวกันแหละกินกันเองฆ่ากันเองทำลายกันเองหรือบางอย่างก็ถูกเป็นอาหารของอีกพวกหนึ่งเป็นอาหารของอีกพวกหนึ่ง สัตว์บางอย่างเป็นอาหารของสัตว์อีกพวกหนึ่งอีกเหมือนกันและอีกสัตว์หลายๆอย่างก็เป็นอาหารของมนุษย์นี่ฉะนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้แหละคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายต่างแต่ด้วยเหตุนั้นอาจจะแตกต่างกันไปว่าตายด้วยเหตุอะไรปรากฏการที่สามเมื่อยังตั้งอยู่ความแปรปรวนปรากฏได้แก่ความแปรไปของสังขารเช่นเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่อยๆแปรไปเป็นเด็ก แล้วก็แปลเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็แปลเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แปลเป็นคนแก่เท่าที่สุดก็คือดับนั่นเองที่สุดก็คือดับคือหมายความว่าในขณะที่เรายังมีชีวิตเป็นอยู่นี่แหละอันนี้เราหมายถึงว่าเรายังตั้งอยู่คืออยู่ในระหว่างเกิดกับตายเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันแปรปวนไปตลอดเวลาไอ้ความแปรปวนไปก็หมายถึงว่าจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเท่าเป็นแก่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกและยิ่งไปกว่า น, นั้นใ้ความแปรปรวนอันนี้ไม่ใช่ว่าแปรปรวนแต่สังขารเท่านั้นในชีวิตของเราที่ประสบกับความสุขความทุกข์มันก็แปรลปรลวนไปตลอดเวลาเดี๋ยวเป็นสุขเดี๋ยวเป็นทุกข์เดี๋ยวเศร้าโศกอเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวร้องไห้เนี่ยมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเดี๋ยวก็รู้สึกโชคดีเดี๋ยวโชคร้ายเคราะดีเคราะร้าย เดี๋ยวมีลาบเดี๋ยวเสื่อมลาบเดี๋ยวมียศเดี๋ยวเสื่อมยศเดี๋ยวมีคนสรรเสริญเดี๋ยวมีคนเินทาเดี๋ยวมีสุขเดี๋ยวมีทุกข์นี่นี่แหละเราจะประสบกับปัญหาอย่างนี้ทุกๆุกค น, นทุกทุกคนต่างแต่ว่าใครจะมากจะน้อยนี่ชีวิตมันเป็นอย่างนี้นมันแปรปรวนอย่างนี้ฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเมื่อเรามีสังขารขึ้นแล้วทุกมันก็ตามมาร้อยแปดพันประการตั้งแต่โสกะปริเทวทุกขะโทมนัตอุปายาสะ อภิเยหิสัมปโยโคทุกโขได้อภิเ ย, ยหิวิปโยโคทุกโขยำผิดฉังนราปติตามปิทุก ข, ขงังสังคิตเตนะปันจุปาทานขันธา น, นี่เรียกว่าทุกรวบยอดแล้วคือเมื่อมีขันท่าแล้วก็เป็นทุกอยู่ร่ำไปนะเป็นทุกอยู่ร่ำไปฉะนั้นเราทราบอย่างนี้แล้วแน่นอนที่สุดเราจะต้องทําจิตทําใจอ่าตอบรับหรือว่าต้อนรับกับเหตุการณ์หรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้น และรู้จักแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาถึงแม้ว่าเราจะแก้ไม่ได้ก็ได้ช่อว่าเราทำสุดความสามารถสดภูมิสดปัญญาของเราแล้วก็ยังดีกว่าไม่คิดจะแก้เลยและเราแก้ทุกสิ่งทุกอย่างต้อนรับกับอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลแล้วแน่นอนที่สุดจะได้ช่อว่าเรานั้นาทาทุกสิ่งทุกอย่างตามธรรมเป็นอยู่โดยธรรมอย่างนี้ จะได้ชี้ว่าเรานั้นเป็นคนดีหรือเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ได้แต่เท่าที่ท่านเรียงความดับขึ้นเป็นข้อสเกี่ยวกับเรื่องสังขตรลักษณะว่าความเกิดขึ้นปรากฏเป็นข้อหนึ่งข้อที่สองความดับนะแทนที่จะเอาความดับไว้ที่สามแต่ถ้าเอาความดับไว้ที่สองก็เขาจะให้เห็นลักษณะที่ใกล้ๆ ก, กันแห่งทำสองข้อคือเกิดกับดับนั่นเองจึงได้เรียงเมื่อ เมื่อยังตั้งอยู่ไว้เป็นอันดับที่สามเหมือนอย่างยานสามที่ท่านเรียงอตีตังสยานไว้เป็นยานที่หนึ่งแล้วก็อนาคตังสยานเป็นยานที่สองปัจจุปันนางสยานเป็นยานที่สามแทนที่จะเอาปัจจุปันนางสยานนั้นเป็นยานที่สองแต่ท่านกลับเอาเรื่องอนาคตมาเป็นยานที่สองก็คือว่าใหวอาอดีตกับอนาคตที่เรารู้กันเนี่ยมันมาอยู่ใกล้กันจะได้เห็นได้ง่ายนะจะได้เห็นได้ง่ายฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นลักษณะของของ ของสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืนเมื่อเรารู้เราทราบอย่างนี้เอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแก่เรามันก็จะต้องแตกดับไปต้องเปลี่ยนแปลไปเราก็จะไปเสีย อ, อกเสียใจเราก็จะไปลืมหลงอะไรที่มันเกิดดีแก่เราเราก็จะไปหลงละเมอเพ้อพกเหลืองหลงไฟฝันมันอะไรที่มันแตกดับไปมันเสียไปเราก็จะไปข้ามปวนไปอะไรมันเพราะมันเป็นธรรมดาของสังขตรลักษณะ มันเป็นธรรมดาของชีวิตมันเป็นธรรมดาของคนเรามันไม่จากเราเราก็จากมันนี่มันเป็นอย่างนี้และเมื่อเรามีชีวิตเป็นอยู่ขอให้เราทุกคนตั้งจิตตั้งใจทําแต่ความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจถึงแม้ว่าจะเลื่อนพันไปบ้างตกประก ร, รำลหบากบ้างก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่จะพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมอย่างนี้ก็ใช้ได้ถ้าจะมีปัญหาถามว่า ธรรมดาสภาพที่สัร พ, พสิ่งทั้งวงย่อมมีความแปรผันยักย้ายไปต่างๆไม่คงที่อย่างเดิมจะจัดเข้าในลักษณะข้อไหนได้หรือไม่อันนี้เราก็แก้ได้เลยว่าจัดเข้าในข้อที่สามได้อความว่าเมื่อยังตั้งอยู่ความแปรปร่งก็ปรากฏลักษณะเช่นนี้เรียกว่าอ น, นิจจตาคือความเป็นของไม่คงที่คือเป็นของไม่คงที่คือจําจะต้องมีความแปรไปเป็นสภาวะ เด็กเกิดมาแล้วก็แปลปรวนไปเป็นหนุ่มเป็นสาวอืาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็แปลปรวนไปเป็นแก่เป็นแก่ก็เปลี่ยนไปเป็นเท้าเป็นชราผลที่สุดก็ตายไม่มีอะไรเหลืออยู่นี่เป็นอย่างนี้นะหรือถ้าจะมีคําถามว่าในสังขตลักษณะในข้อสามว่าเมื่อยังตั้งอยู่ความแปลปรวนปรากฏนั้นมีอธิบายอย่างไรอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่าเมื่อความเกิดขึ้นปรากฏแล้ว จึงจะถึงความแตกดับคือขณะที่สังขารยังตั้งอยู่นั่นเองย่อมมีความแปรปรวนไปด้วยอำนาจาวิปริณามารมเช่นคนเราเมื่อแรกเกิดมาเป็นเด็กแล้วก็แปลเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็เป็นแก่เฒ่าชรามีผมหงอกมีฟันหักเนื้อหนังเหี่ยวยน่นมีตาฟ้าฟางหูตึงเหล่านี้เป็นต้นนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องอสังขาลักษณะที่ยังตั้งอยู่มันย่อมเป็นอย่างนี้นะทีแรกก็ดู เหมือนกับดอกไม้นะทีแรกก็ดูเป็นตุ่มเป็นตุ่มเป็นตนเดี๋ยวก็ค่อยๆยังตูมแล้วก็มาบานพอบานแล้วนะเขาก็ร่วงโรยเหี่ยวเฉาไปนี่คนเราก็เหมือนกันทีแรกมันก็เป็นตุ่มเป็นปมเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นสาขาแล้วก็ออกมาเป็นร่างกายของเด็กต่อไปก็เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ถือว่าเหมือนกับว่าดอกไม้กําลังบานนะกำลังสวยงามแรกแย้มสวยสดงดงามมาก แต่เมื่อพอแต่เท่าทราไปแล้วก็เหมือนกับดอกไม้แห้งเหี่ยวร่วงโรยสังขารก็เหมือนกันเป็นอย่างนี้เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ได้เราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญนี่เกี่ยวกับเรื่องสังขารลักษณะฉะนั้นก็จะพูดในหัวข้อต่อไปก็เกี่ยวกับเรื่องสังขารสามนะสังขารสามพูดถึงสังขารสามก็ได้แก่หนึ่งกายสังขารสภาพอันแต่งกาย สองวจีสังขารสภาพอันแต่งวาจาสามจิตตะสังขารสภาพอันแต่งจิตต่อการแรกก็มาทําความเข้าใจกับคําว่าสังขารเสียก่อนคําว่าสังขารก็คือสภาพที่ปรุงแต่งนะก็เหมือนกับสังขารในที่ว่าสังขาลักษณะนะก็คือสภาพที่มีผู้ปรุงแต่งแต่สังขารในที่นี้หมายเอาอุปาทินกาสังขารเท่านั้นนะ คำว่าอุปาทินากะสังขารนี่หมายถึงว่าเอาสังขารที่มีใจครองเพราะว่ามีมสังขารสองก็คืออนุปาทินากะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองเช่นต้นไม้ภูเขาแม่น้ําแผ่นดินเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าสังขารที่มีสภาพปรงแต่งคือสังขารที่มีชีวิตจิตใจเช่นคนและสัตว์เหล่านี้เป็นต้นฉะ น, น, น, นั้นในข้อแรกที่บอกว่ากายสังขาร สภาพอันแต่งกายหมายเอาลมอัดสาสะปัดสาสะคือลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องกงแต่งกายให้ทรงอยู่ได้เมื่อขาดลมอัดสาสะปัดสาสะพนเปลือยเสร็จแล้วร่างกายคือสิ่งที่คุมกันเข้าเป็นธาตุทั้งสี่ก็จะเป็นอยู่ต่อไปไม่ได้จะต้องเน่าป่วยผุกพังไปฉะนั้นลมหายใจเข้าออกจึงไม่ชื่อว่ากายสังขารสภาพอันแต่งกายอนี่แหละอันนี้เรายอมรับความจริงว่า คนเราไม่หายใจเข้าหายใจออกแน่นอนตายเนะยตายก็คือหมดลมหายใจเนะีคนหมดลมหายใจอืมนะฉะนั้นจึงได้บอกว่าลมหายใจเข้าออกนี่แหละท่านหมายถึงว่าการปรุงแต่งร่างกายให้ทรงอยู่ได้นะเป็นเป็นอาหารอย่างหนึ่งนะที่ปลนปรื้ให้เราได้ดํารงชีวิตอยู่ปรนะะการที่สองวจีสังขารสภาพอันแต่งวาจาได้แก่ความตรึก เอความตรึกตรองนึกคิดว่าคนเราเมื่อจะพูดอะไรออกมาก็ต้องตรึกตรองนึกคิดเสียก่อนไม่เช่นนั้นคําพูดที่เปล่งออกมาก็จะไม่เป็นภาษาเช่นคําพูดของคนละเมอหรือเพ้อไปต่างๆย่อมไม่เป็นภาษาที่บุคคลผู้ฟังจะรู้เนื้อความได้ชัดฉะนั้นวิตกและวิจารณ์จึงได้ชื่อว่าวาจีสังขารสภาพอันแต่งวาจาร์พูดง่ายๆก็คือว่า คนเรานั้นจะพูดอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีการคิดเสียก่อนนึกเสียก่อนอืเรียกว่านิสสัมมักระังเสยโยเนี่ยใค่อยควรเสีก่อนแล้วจึงทําดีกว่าจะพูดก่็ตามจะทําก็ตามนั้นเราจะต้องใคร่อยควรต้องปินิเสียก่อนถ้าว่าเราไม่ปินิษพิจารณาไม่ตรรสงแล้วแน่นอนที่สุดคําพูดก็จะไม่เป็นภาษาไม่เป็นภาษาคนหรือเป็นภาษาคนก็ฟังแล้วไม่เข้าใจไม่ดูเรื่องไม่สลักไม่สลวยนะ ฉะนั้นโบราณจึงบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่สั่งให้กายทำํำสั่งให้วาจาพูดนะจะพูดดีหรือทําดีนั้นอยู่ที่ใจนะจะพูดชั่วทําชั่วก็อยู่ที่ใจนะไม่จะอยู่ที่อะไรฉะนั้นก็ขอให้เรามานึกถึงความจริงว่าคนเราจะพูดดีหรือพูดชั่วนั้นใจเป็นผู้สั่งฉะนั้นเราจะต้องตรึกตรองนึกคิดนะพูดง่ายคิดเสียก่อนแล้วจึงพูด นะอย่างนี้มีประโยชน์บ้างนะมีประโยชน์มากคําพูดก็เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าเราพูดอะไรขาด อ, อยับยัง้งหรือว่าขาดความนึกคิดเ อ, อขาดความไตรตรองให้ควรจะแล้วแน่นอนที่สุดคําพูดที่ออกมาอาจจะผิดพลาดนะอาจจะทําให้ผิดพลาดไปได้อันนี้มีเยอะนะมีเยอะบางคนไี่พูดที่ฉะนั้นในศีลข้อที่สี่จะได้บอกว่าห้ามพูดปลดห้ามพูด อ่าส่อเสียดห้ามพูดคำหยาห้ามพูดเพ้อเจอนี่แหละก็คือว่าคนเราถ้าไม่พูดอะไรไมต่ตรองนึกคิดอะไรมันก็พูดคำหยาพูดส่อเสียดเข้าพูดเอ่าคำหยาคลายพูดปดพูดเพรอเจอนี่ยฟังแล้วมันไม่รู้เรื่องนะฟังแล้วไม่รู้เรื่องฉะนั้นจึงบอกว่าคนการเที่เรพูดนั้นจะต้องมีวิตกวิจารจึงไม่เชื่อว่าวจีสังขาร น, นะว่าจีสังขาร มาในข้อที่สามก็คือจิตตสังขารสภาพอันแต่งจิตในแก่สัญญาและเวทนาเพราะเป็นเครื่องย้อมจิตให้มีประการต่างๆตามสภาพของตนประดุษว่าน้ำย้อมอันจับผ้าย่อมปรากฏสีไปต่างๆตามสภาพของสิ่งนั้นของสีงนั้นข้อนี้ชันใดแม้จิตก็มีสัญญาคือความจากับเวทนาคือความสวยอารมณ์เป็นเครื่องปรุงแต่งฉันนั้น เมื่อสัญญาและเวทนาดับจิตก็ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้นะี่ขอให้นักเรียนนักศึกษาคอยสังเกตให้ดีหรือว่าจําไว้ให้ดีว่าสภาพที่แต่งจิตใจของคนเรานั้นได้แก่สัญญาคือความจําเวทนาก็คือการสวยอารมณ์เป็นเครื่องปรุงแต่งนะถ้าหากว่าสัญญาเวทนาดับจิตก็ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้นะจิตตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้น ไอเวทนาจำนี่จำอะไรจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสีต่างๆได้นะจำได้อนะเวทนาก็คือการสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาจิตของคนเรานั้นอก็เหมือนกับอสีที่ย้อมผ้านะคือเราจะให้เป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวอะไรก็ได้นะสีแดงสีเหลืองสีเขียวได้เป็นแต่ว่าเราจะพอใจหรือว่าต้องการให้เป็นสีอะไร น้ในใจของเราเหมือนกันเราจะต้องการให้ให้ใจเราดีก็ต้องหมั่นทําดีถ้าหากว่าเราไม่ต้องการให้ใจเราดีเราก็ทําชั่วก็คิดแต่ในเรื่องที่เป็นบาปเป็นอกุศลอา่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญจิตของเรานั้นไม่เหม็นก็ถือว่าเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์นะเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์หรือว่ามันเป็นน้าําใสแต่เพราะมีอสิ่งแวดล้อมเข้ามา หรือว่าเป็นสีน้ําที่เจีอด้วยสีต่างๆเอาเข้ามาจิตของเราก็เลยเป็นสภาพมืดมัวหมองนะก็ทําให้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามความเป็นจริงนะก็เลยมองเห็นผิดผิ ด, ผ, ดผิดบ้างถูกบ้างถูกเขาหลอกบ้างอะไรบ้างไปในทํานองนี้ก็มีแต่ทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนอนะ่ฉะนั้นถ้าหากว่าจะมีคําถามว่าสังขารสามมีประโยชน์อย่างไรแน่นอนที่สุดเราก็บอกว่า มีประโยชน์อย่างนี้อันธรรมดาร่างกายของบุคคลเราจะเป็นอยู่ได้ด้วยอำนาจลมอัสศสะปัศจาสสะที่ได้ชื่อว่ากายสังขารเพราะปลมเปลอให้เป็นอยู่วาจาที่เปล่งออกมาภพเรหรือสนอโสดเป็นสุทนทรสำเนียงได้ก็ด้วยอำนาจวิตกวิจาร์อันได้ชื่อว่าวาจีสังขารแน่นอนที่สุดบางคนในพูดไม่เพราะเลยแต่บางคนก็พูดเพราะมากฉะนั้น อันนี้ก็สุนทนผููท่านจึงไม่บอกว่าถึงคราพูดพูดดีเป็นศีสักมีคนรักรถถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทําลายมิจะชอบผิดในมนุษย์พระพูดจาเป็นมนุษย์สุดนิยมที่ลมปากจะได้ยากหัวหิวเพราะชิวหาแม้นผููดีมีคนก็เมตตาจะพูดจาจงวิเคราะห์ให้เหมาะความพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวพูดชั่วก็พาตัวอปราชัยพูดดีก็เป็นสีแก่ปากพูดมากปากก็เป็นสีอันนี้แหละมันเป็นหลักความจริง ตามสภาวะธรรมฉะนั้นก็จึงบอกว่าวจีสังขารก็คือหมายถึงว่าวาจาที่เปล่งออกไปไภัยราอหรือว่าสนอโสดเป็นสุนทรชำเนียงก็ได้ด้วยอำนาจความตรวกนึกคิดความไตรตรองอันได้ชื่อวาวาจีสังขารส่วนจิตที่จะรู้จากฝักไฟหรือสำนึกอารมณ์ได้ก็ด้วยอำนาจแห่งสัญญาความจำได้ไหมายรู้และเวทนาความสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ ซึ่งเรียกว่าจิตสังขารหรูอถ้าหากว่าจะมีปัญหาถามว่าในสังขารทั้งสามเมื่อแตกดับไปจะแตกดับพร้อมกันหรือต่างกันกลางกันขณะ ก, กันก่อนหลังอย่างไรอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่าในสังขารทั้งสามเมื่อจะแตกดับย่อมไม่พร้อมกันเพราะการแรกว่กวีสังขารย่อมดับก่อนกายสังขารจึงดับแต่นั้นจิตสังขารจึงดับต่อมาภายหลัง คือถ้าเราพูดจะง่ายๆหมายว่าคนที่จะตายเนี่ยนะว่าคนจะตายน่ะอะไรดับก่อนในเรื่องของตายสังขารวจีสังขารจิตสังขารเนี่ยเราตอบได้เลยว่าวจีสังขารดับก่อนเสียงดับไปก่อนวัยพูดเนี่ยบางทีคนกล้จะตายละมือเพ้อพกนะแต่พอเมื่อจะดับจริงๆเนี่ยเสียงนี้จะต้องเงียบไปก่อนเลยนะเงียบไปเลยเนี่วยวจยีเนี่ยปากไม่พูดแล้วอ่าเพราะว่าจีดับกายสังขารก็ดับตามไปนยกายสังขาร นะก็ดับตามมาพวกธาตุสี่ก็หมดแล้วไม่ทํางานอะไรเลยเนะีเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วพวกอเสนต์ต่างๆก็ตายไปหมดแล้วนะอาจจะมีไออุ่นอยู่บ้างเนะีหรือไอออนต่อจากนั้นก็จิตก็ดับเนะีจิตก็ดับพูดง่ายๆคือว่าวาจีนะเสียงเนี่ยวจีเนี่ยตายก่อนแล้วก็กายสังขารอันดับสองแล้วก็จิตสังขารอันดับสามหรือทาอยาทามอีกว่าอภิสังขารสามและสังขารสามจัดเข้าใน อในเด่นจะขันรวมลงในขันใดบ้างได้หรือไม่ถ้าได้จงจัดถ้าไม่ได้ก็แล้วไปอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่ากายสังขารจัดเป็นรูปประขันกายสังขารจัดเป็นรูปประขันในขันห้าว่าจีสังขารและอภิสังขารจัดเข้าในสังขารละขันอสังขารละขันจิตตสังขารจัดเข้าในสังขารขันอืและเวทนาขัน มีขอให้นักเรียนในศึกษาทําความเข้าใจให้ดีว่ากายสังขารจัดเข้าในรูปกระขันวจีสังขารจัดเข้าในอภิสังขารขอประทานโทษกายสังขารจัดเข้าในรูปกระขันวจีสังขารและอภิสังขารจัดเข้าในสังขารขันจิตสังขารหรือเรียกว่าจิตตะสังขารจัดเข้าในสังขารขันและเวทนาขันนี่ต้องต้องทําความเข้าใจและต้องจําให้ได้ นี่เป็นเรื่องของอสังขารสามทีนี้ก็จะพูดต่อไปเลยเพื่อเป็นการให้นักเรียนได้ฟังติดต่อกันไปนะก็เป็นเพียงแนวทางย่อๆก็คือเกี่ยวกับเรื่องสัจธรรมสามก็คือหนึ่งปริยัติศัจธรรมได้แก่คําสั่งสอนสองปฏิบัติศัจธรรมได้แก่ความปฏิบัติข้อสามปฏิเวทศัจธรรมก็ได้แก่มรรคผลนิพพาน เราการแน่ขอให้นักเรียนนักศึกษามาทําความเข้าใจกับเรื่องคำว่าสัตธรรมเช่นว่าทำของสัตว์ประหลดสัตธำก็แปลว่าสัตแปลว่าทำของสัตว์ปรุษได้แก่คําสั่งสอนของเราผู้มีพระภาคเจ้าแต่ว่าบางทีคําว่าสัตธรมปดีรูปเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือว่าปฏิรูปคําสอนเ น, นี่บางบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีได้เหมือนกันบางครั้งก็เป็นเรื่องดีบางครั้งก็เป็นเรื่องไม่ดี แต่คําว่าสัจธรรมในที่นี้หมายถึงว่าเป็นธรรมของสัตว์บุรุษคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่สามประการหนึ่งปริยติสัตจธรรมก็หมายเอาพระพุทธวจนะที่ทรงเป่งออกเป็นอุทานประเทศนาะสั่งสอนและบัญญัติเป็นศิกขาบทพุทธานารวมความว่าได้แก่พระไตรปิฎกทั้งสิ้นอันเป็นคาสั่งสอนของพระบรมศาสดาเมื่อจะกล่าวโดยย่อ ก, ก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญา อันพุทธบริษัทจะพึงศึกษาเล่าเรียนให้รู้ให้เข้าใจได้คือหมายความว่าคําว่าปียติสัทธธรรมเนี่ยหมายถึงว่าการเรียนรู้นะคาสั่งสอนอทุกสิ่งทุกอย่างจบพระไตรปิฎกหรือตั้งแต่ประโยคหนึงสองถึงประโยคเก้าจบพระไตรปิฎกนี่ก็ถือว่าเป็นปียติสัทธธรรมปรียติสัทธธรรมรื่องเนี่ยที่เราเขียนเราอ่านเราท่องเราบ่นกันทุกวันเนี่ยอันนี้เป็นปียติสัทธธรรมดังนั้นอื แต่ในคำสั่งสอนทั้งหมดเมื่อรวนย่อให้ ส, สั้นที่สุดก็ได้แก่ศีลคือส่วนหนึ่งเป็นวินยัยส่วนหนึ่งเป็นวินยัย อ, อีกส่วนหนึ่งเป็นสมาธิเป็นสมาธิ้ายพูดว่าสมาศีลก็ได้แก่วินัยยปิดกสมาธิก็ได้แก่พระสุตตันตปิดกปัญญาก็ได้แก่อวิธรรมะปิดกถ้ายะพูดนี้ก็พอได้พอได้ฉะนั้นนี่แหละก็ อืก็เพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเวทยติสัตยธรรมมาในข้อที่สองปฏิปฏิสัตยธรรมหมายเอาความปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งส่วนที่เป็นธรรมดาทั้งส่วนที่เป็นวินยัยที่ตนได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วนั้นจัตยธรรมข้อที่สองนี่แหละท่านกล่าวว่าเป็นปฏิปติบูชาพระพุทธมีพระภาคย่อมยกย่อ ง, อ ง, องสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งการบูชาทั้งหลาย เพราะสามารถดํารงพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นถาวรสืบต่อไปชั่วการนานคูอหมายความว่าคนเราถ้าหากว่าจะเรียนจบพระไตรปิฎกทั้งสามหมายถึงว่าพระวินยัยไปิฎกพระสุตตานิยมปิฎกพระอริธรรมปิฎกแต่ไม่ปฏิบัติตามประโยชน์ก็ไม่เกิดขึ้นไม่สามารถที่จะดํารงพระศาสนาไว้ได้ต่อให้ท่องพระไตรปิฎกจบต่อให้เรียนปาริยกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจบ ก็ไม่สะถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ไม่สามารถจะดำรงพระพุทธศาสนาให้สถิสถาธ์พรสืบต่อไปได้ฉะนั้นพระพุทธศาสนาจะตั้งมั่นหรือว่าสถิ ส, ถออสัทธ์พรสืบต่อไปช่วกาลนานนั้นจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งสอ น, นะจะต้องปฏิบัติตามศีลตามสมาธิตามปัญญาะฉะนั้นการปฏิบัตินี้พระพุทธองค์จึงยกย่องว่าสามารถที่จะดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้และเป็นการบูชาพระตถาคตอย่างแท้จริงอีกด้วย มาในข้อที่สามที่บอกว่าปฏิเวทสัตรธรรมหรือปฏิเวทสัตรธรรมหมายเอาการแทงตลอดก็หมายถึงว่าเมื่อเราปฏิบัติแล้วผลแห่งการปฏิบัติก็คือได้บรร ล, ลุมรรคผลสี่นิพพานหนึ่งเรียกว่าโลกุตระธรรมเก้านะเรียกว่าโลกุตระธรรมเก้าอย่างนี้แหละเรียกว่าเราได้รู้แจ้งเห็นจริงเนีคำว่าปฏิเวทธรรมแทงตลอดสภาวะธรรมทุกสิ่งทุกอย่าง รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อรู้แล้วก็แน่นอนที่สุดไม่มีอวิชาตัณหาอุปาทานธรรมมีแต่อมีแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลและสิ่งเหล่านั้นวนแล้วแต่เรียกว่าปราศจากกิเลสตัณหาสิ้นภพสิ้นชาติก็คือได้มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งฝ่ายโลกุตรธรรมอันนี้แหละเรียกว่า เราศึกษาธรรมถูกตามสภาวะธรรมและได้ชีวบูชาพระธถาคกอย่างแท้จริงและเมื่อเราศึกษาถึงขั้นนี้แล้วพระพุทธศาสนาหรือคำ ส, สอนของพระพุทธเจ้าก็จะดำรงอยู่ในโลกนี้ไปชัว่วการนานถ้าหากจะมีคำถามว่าสัต์ธรรมทั้งสามนี้หรือถ้าขอประทานโทษถ้าเราจะพูดสั้นๆอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าัตธรรมทั้งสมนี้เป็นเหตุและผลของกันและกัน กล่าวคือประยะิยัติสัจธรรมนั้นเมื่อจะจัดโดยองค์ก็มีเก้าอย่างคือสุตตะเคยะวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอัภูตะธรรมเวทันละนี้ชื่อว่าประยะิยัติสัจธรรมอันประยะิยัติสัจธรรมนั้นแสดงข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาในสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญานั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปฏิสัจธรรม เมื่อบุคคลมามาปฏิบัติตามสีสมาธิปัญญานั้นได้บรรลุมรรคผลทําให้แจ้งแทงตลอดซึ่งธรรมวิเศษคือพระอริอรยมรรคพระอริยผล อ, อนิพพานนั้นชื่อว่าปฏิเวทสัตยธรรมืะหรือถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าผู้เราเรียนศึกษาธรรมลินัยและปฏิบัติในไตรสิกขาได้ชื่อว่าตั้งอยู่ในสัตยธรรมอะไรเพราะเหตุใดเราก็แก้ได้เลยว่าผู้เราเรียนศึกษาธรรมลินัย น, นั้นได้ชื่อว่าตั้งอยู่ ประยัติชื่อว่าตั้งอยู่ในประยะิยัติสัจธรรมเพราะได้เล่าเรียนศึกษาคําสัา่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นปัจจัยให้ละความชั่วบําเพ็ญความดีผู้ปฏิบัติในใจศิดขาในคราวปฏิบัติอยู่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ชื่อว่าตั้งอยู่ในปฏิบัติสัจธรรมเพราะได้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าและเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อปฏิบัติไไปปจนนถึงงที่่่่สุดดแล้้้ววชืออาาตััยูใฏิเธเธรรมพะ ปฏิเวษษทศัพทธรรมได้แก่มรรคผลนิพพานนั่นเองเอาละการบรรยาย เ, าเกี่ยวกับเรื่องอสังขารลักษณะก็ดีสังขารสามก็ดีและสัพท์ธรรมสามก็ดีพอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพรวันนี้จะได้พูดในหมวดที่สามว่าด้วยเรื่องสมบัติสาม คือหนึ่งมนุษย์สมบัติสมบัติในมนุษย์สองสวรรค์สมบัติสมบัติในสวรรค์สามนิพพานสมบัติสมบัติคือพระนิพพานประการแรกขอให้นักเรียนนักศึกษามาทําความเข้าใจกับคําว่าสมบัติเสียก่อนคําว่าสมบัติแปลว่าความถึงพร้อม แต่ท่านหมายเอาเฉพาะส่วนที่ดีเท่านั้นนะคําว่าสมบัตินะี่นแปลว่าความถึงพร้อมก็คือสัมปัตินั่นเองนะสัมปติตรงนี้แปลว่าความถึงพร้อมมันตรงกันข้ามกับคําว่าวิบัตินะคําว่าวิบัติถึงความสิ้นไปหรือหมดไปนะถึงความสิ้นไปหรือหมดไปวิตัวนี้มันมันมีอํานาจมากนะมีอํานาจมากมันก็แปลกกันเรื่องภาษาไทยนะเรื่องภาษาไทย ถ้าวิเข้าไปใส่ในบางอย่างนี่กลายเป็นวิเศษนะเป็นผู้วิเศษเข้าไปเลยแต่บางอย่างก็กลายเป็นผู้เรียกว่าหมดความวิเศษไปทันทีนิหมดความวิเศษไปทันทีเนี่ยอย่างวิบัติอย่างนี้หมดความวิเศษเลยแทนที่กว่ามีสมบัติวิเศษล่ะกลายเป็นว่าหมดความวิเศษหมดความสุขหมดความสมบูรณ์หมดเนื้อหมดตัวถึงความวิบัตินี่เรหมดเนื้อหมดตัวหมดคุณงามความดีแต่ถ้าสมบัติแล้วก็ถือว่า ร้างพร้อมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนนี่มันเป็นเรื่องของหลักภาษานเป็นเรื่องของหลักภาษาอืหรือยังคําว่าวินาดอย่างเนี้ยนนี่ก็หมายถึงว่าพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงนหมดสิ้นนหมดสิ้นนั้นในอีกหลายๆอย่างนนี่เป็นเรื่องของภาษาที่นี้คําว่าสมบัติในที่นี้หมายว่าความถึงพร้อมท่านหมายเอาว่า ถึงพร้อมในส่วนที่ดีเท่านั้นเพราะเป็นปฏิปทาเครื่องดำเนินไปสู่ความสุขและความเจริญโดยส่วนเดียวท่านจำแนกออกเป็นสามคือหนึ่งมนุษย์สมบัติหมายเอาคุณงามความดีทุกอย่างอันมีประจำอยู่ในโลกเป็นต้นว่าการถึงพร้อมด้วยลาบยศสุขสันเสริญอันเป็นส่วนที่จัดปรารถนายินดีอยากได้หรือคุณความดีอย่างอื่นอีกอันอนุโลมตามในนี้ก็จัดว่าเป็นสมบัติในมนุษย์เหมือนกัน เนะีคือพูดง่ายๆก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยตรารานลาบยศสุขสันเสริญ น, นะที่เราเรียกว่าโลกธรรมเนี่ยว่างั้นเถอะไลลาบยศสุขสันเสริญนี่มันก็ไม่จีรังยั่งยืนนะมันเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาเนะี่ยแต่คนเราทุกคนต้องประสบนะเดี๋ยวมีลาบมี เ, เสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขก็หมดสุขก็ได้ความทุกข์มีสันเสริญก็มีเนินทามันอยู่คู่กันไปนี่เป็นโลกธรรมดังนั้นโลกธรรมนี่เป็นธรรมคู่โลกที่คนทุกคนจะต้องประสบพบ เรียกว่าถ้าหากว่าเราเกิดมาประสบกับสิ่งเหล่านี้แล้วเราชนะได้เราทำใจได้นั่นแหละถือว่าเราใช้ชีวิตที่ถูกต้องถือว่าเรามีสมรรถภาพพูดพูดง่ายๆก็คือว่าเรานั้นเป็นบัณฑิตได้ เป็นมันติตได้คือไม่ติดลาบไม่ติดยศไม่ติดสุขไม่ติดสรนเสริญและไม่เสื่อมลาบก็ไม่เสียใจเสื่อมยศก็ไม่เสียใจใครยามทุกข์ก็ไม่เสียใจหรือว่าใครนินทาก็ไม่เสียใจเนีเพราะว่าพูดง่ายๆก็คือว่ามันมีส่วนสาคัญอยู่สองอย่างที่คนเราติดก็คืออิทธารลมกับอนิฐารลมคืออารมณ์ที่น่าปรารถนากับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอารมณ์ที่น่าปรารถนาก็ได้แก่คราว เราได้ลาบคราวเราได้ยศได้สุขได้สรนเสริญอันนี้มันเป็นอารมณ์ที่เราทุกคนพอใจเราทุกคนดีใจเราทุกคนยกย่องสรนเสริญกันนะคนไหนร่ํารวยเราก็ยกย่องบอกคนนั้นดีคนไหนได้ยศสูงเราก็ยกย่อ ง, องคนนั้นดีแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ดีก็ได้นะคนมีลาบมียศอาจจะไม่ใช่คนดีก็ได้อาจจะได้มาในทางมิจฉาชีพก็ได้นะ บางคนก็ไปสรรเสริญยกย่องเอาเกี่ยวกับเรื่องว่าคนนั้นร่ำรวยก็ไปยกย่องทั้งๆ ท, งทงี่ว่าบางทีไม่มีคุณงามความดีเลยนะแต่คนที่เขาสร้างคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจแต่เขาไม่ได้ทาด้วยเงินด้วยทองเรากลับไม่ยกย่องเขานี่อย่างนี้ก็มีนี่มันเป็นเรื่องของโลกธรรมคนอยู่ดีๆคนก็ติดฉินนินทานะคนทําชั่วก็มีคนติดฉินนินทาคนทําดีก็มีคนติดติติดฉินนินทาแล้วบางคนทําชั่วคนก็ยกย่องว่าดี และบางคนทําดีบางคนก็ไปติดชินนินทานี่มันเอาแน่นอนไม่ได้เอาแน่นอนไม่ได้อันนี้มันเป็นเป็นเรื่องของชาวโลกพระพุทธองค์ว่ามันเป็นอาชีพไต่นวรับ เ, เป็นสิ่งที่บุคคลไม่ควรคิดว่าทําไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นอุตสาห์ทาดีแทบตายแล้วทําไมไม่เห็นคนยกย่องชมเชยไอ้คนนั้นมันทําชั่วแล้วทําไมไม่มีคนติดชินนินทาอา่าทําไมมันไม่ตกตายตามใบตามที่มันทําชั่วทําไมกรรมจึงไม่โดนสนองอะไรอย่างนี้อย่าไปคิด คิดแล้วก็เดี๋ยวเป็นบ้าว่างั้นนะคิดแล้วก็ทําให้จิตใจเศร้าหมองไม่ต้องไปคิดอนะืให้เราคิดไปถึงตัวของเรานะอย่าไปคิดถึงคนอื่นว่าเราทําดีแล้วหรื อ, อยังเมื่อเราทําดีแล้วใครเขาจะว่าชั่วมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดาอนะืคนพระพุทธองค์เป็นศาสดาเอกในโลกแล้วก็ยังมีคนติกินนิมฐายังมีคนด่าคนว่านะแช่งสาปแช่ ง, งต่างๆเป็นลาเป็นอู่เป็นโคกระเบอืออนะไรน่ยสารพัด แล้วจะไปลกล่าวไปยัยกับไอเราที่ยังมีกิเลสตัณหาจะไม่มีคนแช่งคนดา่าคนจิจีนินทาเชียวหรือนี่ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ก็สบายนะเราคิดอย่างนี้ได้ก็สบายแต่สังคมแต่นี้บางคนก็ทนไม่ได้นะทนต่อต่อไอสังคมที่ดูเหม็นเยียดหยามเยอะเย้ยไม่ได้นะบางคนก็น่าเสียดายทั้งๆ ท, ที่เป็นคนดีมาก แต่ว่าถูกสังคมประนามยามเหยียดหยันเชื่อจนอยู่ในสังคมไม่ได้ในสังคมนั้นๆไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปต้องออกไปอันนี้น่าสงสารแต่คนไหนที่มันทําชั่วมากยังอยู่ในสังคมได้คนกับยกย่องชมเชยแม้อันนี้มันก็น่าเวทนาหน้าเวทนาฉะนั้นอันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายที่อยู่ในโลกในสังคมก็ต้งจังหวะไว้ อะไรที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราหรือผู้อื่นนั้นในฝ่ายดีฝ่ายชั่วเราก็ต้องทำใจเป็นกลางๆว่านี่มันเป็นโลกกระทำนะเป็นโล ก, กระทำนะแต่ขอให้ตัวเองมันตั้งใจทำดีนะตั้งใจทาดีประการที่สองประการที่สองก็คือสวรรค์สมบัติไม้เอาสมบัติอันเป็นของทิ์ แต่ก็เหมือนกันโดยความปรารถนายินดีคือได้แก่คุณงามความดีมีลาบมียศมีสุขมีสันเสริญเช่นเดียวกันต่างแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของประนีสุ ข, ขุมกว่ามนุษย์คือหมายความว่าอลองถ้าขึ้นสวรรค์แล้วก็เป็นของทิพย์ทางนั้นนะก็มีมีลาบมียศมีสุขสันเสริญเหมือนกันแต่ว่าสิ่งนี้มันละเอียดสุ ข, ขุมกว่าประนีตกว่านะประนีกว่าอืเรียกว่าไม่ต้องลงทุนลงแรงมาก แล้วได้ของก็ได้ของดีๆนะได้ของดีกว่านะดีกว่าเลิศกว่าประเสริฐกว่านี่นี่หมายถึงว่าสวรรค์สมบัติถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าในสวรรค์สมบัตินี่เรียกว่าอย่างที่มีเรื่องเล่านึกนึกเอามันก็มาได้นะนึกนึกเอามันก็มาได้ยังก็เขามีเรื่องเล่าไว้ว่ามีคนสองคนนะไอ้คนหนึ่งชื่อนายหอมไอ้คนหนึ่งชื่อนายเหม็นนายหอมนี่เมื่อเป็นเด็กก็เป็นเด็กที่ดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นโตมาเป็นหนุ่ม ก็ทำแต่ดีอยู่ร่ำไปนะทำแต่ดีอยู่ร่ำไปปรากฏว่าเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ฝายในเหม็นนั่นเป็นเคยเป็นเพื่อนใครหอมาก็ตอนที่เป็นนักเรียนก็รู้สึกว่าขี้เกียจนะไม่ค่อยขยันเรียนพอโตขึ้นมาเป็นหนุ่มก็รู้สึกว่ามีนิสัยไปในทางมิจฉาชีพนะชอบหลอกลวงต้องหากินโกงเขาในเท้าพนที่สุดในเหม็นก็ตายไปเกิดเป็นหนอนนะไปเกิดเป็นหนอน ฝ่ายในหอมก็ขึ้นมาบนสวรรค์แล้วก็ยังว่าแหละยหูทิพตาทิพกมามองดูเอเพื่อนของเราไปเกิดอยู่ที่ไหนนนไปเกิดอยู่เป็นหนอนนอนอยู่ในซุ้มน่นะอยู่ในซุ้มมันนอกเขาเรียกว่าเวสนะเรียกว่าเวสก็เลยนึกอยากจะช่วยเพื่อนนะให้ขึ้นมาบนสวรรค์เพราะรู้สึกว่าบนสวรรค์นี่มันมีอาหารทิพนะเสื้อผ้าอภรรตมันเป็นทิพไปท้งนั้นละเอียดระนี้ทางนั้นนะละเอียดระนี้ทั้งนั้นเลยก็เลยแปลงตัวมานะลงมาที่ซุ้ม ก็มาทักทายกับเจ้าเหม็นที่เป็นหนอนอเพื่อนเก่ า, ากว่าจะทักทายก่อนกว่าจะรู้เรื่องว่าเป็นสหายเก่าก็ต้องทวนคำหลังกันอยู่นานอานอนจําได้บอกอ้าวเป็นไงหอมไปอยู่ที่ไหนมาหอมบอกโน่นแล้วขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เอาไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยที่ว่าสวรรค์เป็นยังไงอ่าในหอมก็จ ะ, ะระนายว่าสวรรค์นั้นเวลาจะกินก็กิกนของดีจะใช้ก็ใช้ของดีจะไปทางไหนขึ้นรถลงเรือก็เหมือนแม้มันสะดวกสบาย เรียกว่านึกนึกเอามันก็มาเองทังนั้นนึกอยากกินหมูเห็ดเป็ดไก่มันก็มาอนึกอยากจะกินขนมอะไรที่มันละเอียดะนีบของดีๆแพงๆมันก็มาเองเสื้อผ้าอภรรยอยากจะใส่ดีขนาดไหนมันก็มาเองนี่รถราต่างๆเราจะไปไหนมันมาเองเพียงแต่เรานึกแค่นั้นแล้วมันมาทันทีพอพูดแค่นั้นแหละในไอ้ไอ้ไหนอนที่เป็นในเหม็นลอกว่าไม่เอาหราอกบวกมันลําบากมาสู้อยู่ยังข้าในไม่ได้ ถ้าเกิดเป็นหนอนนี่ไม่ต้องนึกถึงเวลาแล้วมาเองถึงเวลาแล้วมาเองแย่งกันมาเลยกินไม่หวัดไม่ไหวนี่ขนาดไปเกิดเทวดายังต้องนึกนะในสวรรค์ น, นี่ของเราไม่ต้องนึกเกิดเท่นั้นก็ในหอมกลับไปเถอะเราไม่ไปหรอกเรา อ, อยู่อย่างนี้ดีกว่าอ่านี่มันก็เป็นนิทานเล่าให้เด็กฟังอย่างง่ายๆว่าคนเราบางคนนะ่ะมันอยู่ทําชั่วแล้วก็มองไม่เห็นความชั่วของตัวเองนะนอนเหมือนกันอยู่ในคูดแล้วก็มองไม่เห็นคูดวพราะงั้นเถอะ เหมือนกับปลาอยู่ในน้ําก็มองไม่เห็นน้ํานกอยู่ในอากาศก็มองไม่เห็นอากาศนะมองไม่เห็นอากาศไส้เดือดอยู่ในดินก็มองไม่เห็นดินคนเราเหมือนกันอยู่ในโลกนี้มีความทุกข์เต็มไปหมดแต่ว่ามองไม่เห็นกองทุกข์มองไม่เห็นภัยในวัฏสงสารนะจึงเอาตัวรอดไม่ได้จึงไม่หลุดพ้นาจากเครื่องไยรัสคือกิเลสตันหานได้นี่แหละเหมือนกับในเหม็นนั่นอีกเหมือนกัน ทีนี้มาในข้อที่สามก็คือนิพพานสมบัติท่านหมายเอาท่านิพพานที่เป็นสมบัติเพราะลาบยศสรรเสริญเหล่านี้ไม่ไม่ไม่ไ ม, มีในพระนิพพานแต่ท่านจัดว่าเป็นสุขอันยอดเยี่ยมเป็นสมบัติอันประเสริฐกว่าสมบัติสองอย่างข้างต้นเป็นปรมาภสมบัติยั่งยืนไม่เสื่อมซากเป็นสมบัติไม่เจือปนด้วยอามิตรคือไม่เจือปนด้วยเหยื่อไม่เจือปนด้วยอสิ่งที่ยังมีเกิดแก่เจ็บตาย ผู้ที่ได้นิพพานสมบัตินั้นย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือถึงอมตะธรรมถึงธรรมอันเป็นยอดเยี่ยมอันตะเสริญฉะนั้นอนิพพานสมบัติจึงเป็นสมบัติขั้นสุดท้ายของคนเราคือคนเราถ้าหากว่าถึงนิพพานแล้วก็เรียกว่าหมดความเกิดความแก่ความตายทําบุญไม่เป็นบุญทําบาปไม่เป็นบาปปักแต่ว่าเป็นกริยาเท่านั้นเป็นกริยาเท่านั้น ฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็อยากจะมีความสุขเราอยากมีความสุขเราก็ต้องสร้างยกระดับจิตใจของตัวเองให้ถึงสวรรค์สมบัติและเราอยากได้สูงยิ่งขึ้นไปเราก็ต้องทําให้เราถึงนิพพานสมบัติก็คือต้องหมดกิเลสปัญหาพยายามตัดกิเลสตายคลายกิเลสทิ้งเห็นความจริงคือความไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ได้ก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญโดยทั่วกันถ้าหากจะมีปัญหาถามว่า คำว่านิพพานสมบัติเป็นสมบัติของคนจําพวกไหนพระโสดาบันจัดอได้ไหมว่าได้นิพพานสมบัติหรืออย่างไรเพราะเหตุไรอันนี้เราก็จะแก้ได้เลยว่ า, านิพพานสมบัติเป็นสมบัติของพระอรหันต์หรือพระขีณาสกจาพวกเดียวเท่านั้นพระโสดาบันยังไม่ได้นิพพานสมบัติเพราะยังเป็นผู้จะต้องไปไ ป, ไปมามาอยู่อีกหลายภพหลายชาติและพระโสดาบันนั้นยังติดกิเลส เครื่องก่อภพก่อชาติอยู่ซึ่งเรียกว่าสังยังละสังโยชน์ไม่ได้หมดหากจะเรียกว่าเป็นสมบัติของท่านในอนาคตข้อนั้นก็เห็นท่าจะถูกต้องและสมกับคำที่ว่าเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมแน่ว่าจะบรรลุพระนิพพานในการต่อไปคือหมายความว่าคนถ้ถึงโสดาบันแล้วไม่กลับมาต่ำอีกแล้วมีแต่จะขึ้นไปสูงพอเป็นโสดาบันต่อมาอีกชาติหนึ่งก็จะได้เป็นพะสกทาคามี ต่อมาจากพระสกทาคามีก็ไปอนาคามีต่อต่อจากพระอนาคามีก็เข้าถึงพระอรหนันต์นี่จะไม่ตกลงม า, าตา่กว่าอีกแล้วนะนี่นี่ก็พอเป็นแนวทางหรือถ้าจะมีคำถามว่ามนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติก็พอจะเข้าใจได้ส่วนนิพพานสมบัตินั้นคืออะไรพระนิพพานจัดเป็นสมบัติด้วยหรือไม่นิพพานสมบัตินั้นคือพระนิพพานนั่นเองพระนิพพานก็เป็น สมบัติเหมือนกันเพราะพระนิพพานได้แก่การดับกิเลสเป็นอกุปปธรรมคือเป็นธรรมที่ไม่กำเริบเสิดสารเป็นสมบัติที่หาได้ยากอย่างยิ่งและเมื่อได้แล้วก็ย่อมประสบความสุขให้แก่ผู้ได้ตลอดไปนับว่าเป็นสมบัติที่เลิศกว่าสมบัติทั้งสองข้างต้นซึ่งเป็นสมบัติที่ไม่อีรังยั่งยืนไม่ถาวรไม่ถาวร น, นี่ก็เป็นเรื่องของสมบัติสามก็พอเป็นแนวทางให้นักเรียนนักศึกษา ได้รู้ได้ทราบอพอเข้าใจเล็กๆน้อยๆก็จะพูดในหัวข้อต่อไปว่าสิกขาสามนะสิกขาสามสิกขาสามก็คือหนึ่งอธิศีลแสิกขาอศึกษาคือศีลอันยิ่งอธิจิตติสิกขาก็คือได้แก่การศึกษาเรื่องจิตอันยิ่งอธิปัญญาสิกขาได้แก่การศึกษาเรื่องปัญญาอันยิ่งคําว่าสิกขาได้แก่ปฏิปทาที่ตั้งไว้เพื่อศึกษาอ่า คือสุขขัดทวานทั้งสามให้เป็นไปตามาที่ตนได้นึกคิดศิกขานี่แหละถ้ามาเป็นภาษาไทยที่รู้คือการศึกษาศึกษาส า, าลานี่มันเป็นภาษาสรรษนันสกฤตนะสันสกฤตฉะนั้นศิก ข, ขาก็คือการศึกษานั่นเองนะเป่นาบางทีเ็าบอกว่าศิกขากรรมโยรู้ไขในการศึกษาเนี่ยู้ไขในการศึกษานี่มันเป็นเรื่องของภาษาไทยนะ เขีกระทรวงศึกษาอย่างนี้นะกระทรวงศึกษาก็คือกระทรวงกระทรวงศิกขานั่นเองนะกระทรวงศิกขาแต่ว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษานั้นไม่ได้ทรงอยู่ในคุณธรรมคือสิกขาสามเลยนะถ้าหากว่าคนในกระทรวงศึกษาธิการนั้นทรงอยู่ในสิกขาทั้งสาเช่นอทิศีนและศิกขาก็มีศีนอธิติจารสิกขามีจิตอันยิง่งมีจิตสูงอทิปัญญาศิกขาก็มีปัญญาสูงอย่างนี้แล้วก็แน่นอนที่สุด การจัดการศึกษาของชาติก็คงจะเป็นไปในโลกที่ดีที่งามอ น, นาคตของชาติก็มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองแต่นี่เพราะว่าคนที่อยู่ในกระทรวงศึกษาไม่เข้าใจกับคําว่าศึกษาก็เลยไม่รู้เรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นเองฉะนั้นก็เมื่อเราทราบแล้วว่าสิกขาได้แก่การศึกษาเรื่องทั้งสามนี้ก็มีหนึ่งอธิศีลสิกขาได้แก่ศีลอันเป็นเครื่องรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ให้เรียบร้อยรักษามารยาทให้สมควรแก่หมู่คณะเป็นผู้ประพฤติสม่ำเสมอกันในส่วนพระบัญญัติและอภิสมาจารเพื่อนำมาศึกษาความดีงามและความสามัคคีแห่งกันและกัน น, นี่เป็นเรื่องของศีลสิกขาสองอภิจิตตสิกขาได้แก่การศึกษาเพื่ออบรมจิตให้อยู่ในอำนาจ ทำจิตให้แน่วแน่มีอารมณ์เป็นอันเดียวคือคมจิตลงในเวลาที่เกิดสุ้งสัน้นและยกจิตขึ้นในเวลาที่จิตขดภูจปกะคองจิตให้ตั้งมั่นในเวลาสงบเช่นนี้เราเรียกว่าอธิจิตติสิกขามีเกิดขึ้นในลำดับแห่งอธิสีละสิกขานะคือหมายความว่าอธิจิตติสิกขานี้ก็คือการที่เราได้ตกจิตตกใจของเราจนแน่วแน่ มีมีมีสมาธิมีความมั่นคงนั่นเองไอตัวอาชีพปิจาริขาก็ได้แก่ตัวสมาธิอันยอดเยี่ยมนั่นเองนะสมาธิอขั้นสูงหน่อยนะขั้นสูงอเพราะว่าสมาธิเนี่ยมีสามขั้นเช่นว่าคณิกาสมาธินะขั้นิกาสมาธิได้แก่ว่าจิตใจสงบเป็นครั้งเป็นคราวนิทิสไม่หน่อยชั่วครู่ชั่วยามอุปจารสมาธิอืมก็มีสมาธิที่เฉียด เฉียดหมายถึงว่าใกล้ใกล้ใกล้จะแน่วแน่ใกล้อั ป, ปนาสมาธิและประการที่สามก็อั ป, ปนาสมาธิก็คือสมาธิที่แนบแน่อยู่เนื่นนานนะฉะนั้นคนที่มีอ า, อาธิจิตตศิขาก็คือคนที่มีสมาธิ อ, าอันมั่นคงนะอันมั่นคงเรียกว่าเป็นการฝึกจิตฝึกใจได้อย่างมั่นคงแน่วแน่แล้วก็หนักแน่น ท่านโตเสถูมนุษย์เสสุคนที่สุกจิตสึกใจดีแล้วก็นำเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายท่านตังจิตตั้งสุขภาวะหังจิตที่ฝึกตีแล้วก็นำความสุขมาให้ฉะนั้นอธิจิตตสิกขาก็คือการอบรมบ่มนิสัยอบรมบ่มจิตใจให้อยู่ในอำนาจอารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวสามารถที่จะค่มจิตไม่ให้พุ่งสัน้นและยกจิตขึ้นในเวลาที่จิตหดผูกไม่ให้ตกต่ำประคองจิตให้ตั้งมั่นในเวลาจิตสงบ ให้อยู่อย่างนั้นอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าอภิจิตตสิกขาในข้อที่สามก็คืออธิปัญญาสิกขาคือเมื่อผู้ศึกษาในสีนจิตอดีแล้วต่อไปก็ควรอบรมปัญญาคือฝึกหัดดวงจิตให้เกิดปัญญาให้รอบรู้สภาพทำอันเป็นไปตามขติธรรมดาตลอดจนเกิดปัญหาหรือว่าเกิดปัญญาอันเป็นเครื่องรู้ยิ่งซึ่งได้แก่พระอาตามก นะอันนี้หมายความว่าคนเราเมื่อฝึกจิตเป็นสมาธิอันตั้งมั่นดีแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นนะปัญญาก็จะเกิดขึ้นหรือย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงนะย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงแต่ถ้าหากว่าเราฝึกจิตยังไม่ดีแน่นอนที่สุดอธิปัญญาสีขาวมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้หรือว่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นไม่ดีนะยังมัวหมองอยู่ ยังทําให้เรานั้นรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงอันนี้มีหลักฐานที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้ว่าสมาทิงพิขเวภาเวถะสมาหิตโตยะถาภูตังประชานาติว่าพวกเราทั้งหลายจงพากันเจริญสมาธิเถิดว่าท่านผู้เห็นภัยในวตาสงสารพวกเราทั้งหลายจงพากันเจริญสมาธิเถิดเมื่อเราเมื่อเรามีจิตตั้งมั่นแล้วก็ย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงได้ ไอ้คว่ า, าจิตตั้งมั่นก็คือว่าจิตที่มีอารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่วันไหวไม่คลอนแคลนในเมื่อประสบกับการได้ลาบส่วนลาบได้ยกส่วนยกมีสุขมีทุกหรือว่ามีสันโชนมีนินทานี่จิตของเราตั้งมั่นไม่โอนเอียงวันไหวตามวางใจเป็นกลางได้่นะังนี้แหละปัญญาเกิดขึ้น้ะรู้เท่าทันต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า และก็ไม่หวาดวันไม่วันกลัวนะนะอย่างนี้เราเรียกว่าปัญญาเกิดนะปัญญาเกิดฉะนั้นศิษขาทั้งสามนี้ในเบื้องต้นควรฝึกหัดการปฏิบัติการรักษาเมตตาญาณกายวาจาให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยปราศจากโทษสมควรแก่หมู่คณะในลําดับนั้นก็ควรฝึกหัดรักษาจิตให้อยู่ในอํานาจอาจทําให้แน่วแน่สมควรแก่การงานในขราวที่ต้องการ และในที่สุดก็ควรหัดใช้ปัญญาให้รอบรู้ในสภาวะธรรมอันเป็นไปด้วยความเป็นเหตุและเป็นผลแห่งกันและกันนี่ก็เป็นเรื่องของสิกขาทั้งสามพอเย่อเยาพอเป็นแนวทางนะพอเป็นแนวทางฉะนั้นถ้าหากวา่าจะพูดจะถามตั้งเป็นปัญหาว่าผู้บำเพ็ญสิกขาทั้งสามประเภทนั้นกาจัดกิเลสได้ต่างกันอย่างไรต่างกันอย่างนี้ คือผู้ที่บําเพ็ญอธิศีและสิกขาย่อมกําจัดกิเลสอย่างยากก็คือสี่ห้าในแก่ปานาติบาตอธินนาทานกามเมสุวิชชาจารได้นะ เ, เรียกว่าอย่างนี้อย่างนี้กําจัดได้ก็ถือว่าเป็นกิเลสอย่างยากาส่วนผู้บําเพ็ญจิตตสิกขาย่อมกําจัดกิเลสอย่างกลางคือนิวรณิบอนธรรมห้าอย่างหรือว่านิวรณูปกิเลสคือกิเลสคือนิวรห้าประการมีกามฉันทะพยาบาท ถินมิทะอุทจักกุคุจะวิจิกิจฉาเหล่านี้เป็นต้นส่วนผู้บำเพ็ญอธิปัญญาสิขาย่อมกาจัดกิเลสอย่างละเอียดได้แก่การมราคะปฏิคทิฐิวิจิกิจฉาเป็นต้นหรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่าอนุสัยเสียได้นี่แหละเรียกว่าสิขาทั้งสามนี้สาเมื่อผู้บำเพ็ญแล้วก็สามารถที่จะกาจัดกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดได้ หรือถ้าจะถามว่าสิกขาแปลว่าอะไรทำอย่างไรจรึงจัดว่าเป็นอธิปัญญาสิกขาอ่าสิกขาก็แปลว่าการฝึกหรือว่าการศึกษาการอบรมนะการหัดใช้ปัญญาให้รอบรู้สภาวธรรมนะการใช้ปัญญารอบรู้สภาวธรรมนี่ทำอย่างไรจรึงจะจัดเป็นอธิปัญญาสิกขาก็คือการฝึกหัดใช้ปัญญาให้รอบรู้สภาวธรรมอันเป็นไปด้วยความเป็นเหตุเป็นผลแห่งกันและกัน จัดเป็นอธิปัญญาสิกขาพูดง่ายๆก็คือว่าฝึกหัดจิตใจให้รู้เท่าทันต่อสภาวะธรรมที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราเพ่งว่ารูปนามของเราแล้มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลานทุกส่วนของร่างกายนั้นก็มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรอที่จะจีรังยั่งยืนเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แน่นอนที่สุด ปัญญาของเราก็เกิดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นเหตุและเป็นผลของกันและกันเมื่อเหตุดีผลก็ดีเมื่อเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีฉะนั้นเมื่อปัญญาสิกขาเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็เพ่งทำอันอุกฤษคือย อ, อ, อย่างสูงสุดจรรัดว่าเป็นอธิปัญญาสิกขาในธรรมวิภาควิจิตรที่สองกล่าวว่าการเพ่งทำอันอุกฤษที่เรียกว่าอธิศิระสิกขาอธิกิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขานั้นหมายความว่าอย่างไร อันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าหมายเอาอริยมรรคธรรมอริยมรรคธรรมก็ได้แก่คือแปลว่าเป็นธรรมอันประเสริฐนะเป็นธรรมอันประเสริฐก็ได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิสองสัมมาสังกัปปะอนะทั้งสองอย่างนี้เป็นอธิปัญญาสิกขานะอธิปัญญาสิกขานี่สัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชิวะอันนี้เป็นอธิศีลสิกขา สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้จัดเป็นอธิจิตติกขานี่ก็เป็นเรื่องของสิกขาสามนะเป็นเรื่องของสิกขาสามทีนี้เราก็จะขอพูดไปในหัวข้อต่อไปเลยก็จะเพื่อจะได้หมดในหมวดที่สามก็คือเรื่องพระ โ, โสดาบันสามพระโสดาบันสามก็ได้แก่หนึ่งเอกรพชีสองโกลังโกละ 3, สามสตักขัตุป a r a ปาการแรกมาเข้าทําความเข้าใจกับคําว่าโสดาบันคําว่าโสดาบันนี้แปลว่าอาผู้แรกถึงกระแสพระนิพพา น, านมีความไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาเป็นผู้แน่ว่าจะได้ตัดสู้ข้างหน้านะผู้ได้ง่ายพระโสดาบันนี่แปลอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ถึงกระแสแห่งการฟังนะโสดาเนี่ยมันจะคําว่าสุตตะนั่นเองนะปันก็หมายถึงพร้อมนะแต่ว่าถึงหรือแปลว่าบรรลุก็ได้ นะผู้บรรลุโดยการฟังนะผู้นู้แรกเข้าถึงกระแสพระนิพพานนะไม่มีความตกต่ำอีกแล้วมีแต่จะสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะอย่างนี้เราเรียกว่าโสดาบันท่านแบ่งออกเป็นสามประเภทนะโสดาบันมีสามประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าเอกระเพจีคำว่าเอกระเพี G P G ก็แปลว่าผู้มีพืชอันเดียวในแก่ท่านผู้ ยอดเยี่ยมในชั้นนี้แล้วย่อมมีคติในมนุษยโลกหรือในเทวโลกอีกเพียงคราวเดียวเท่านั้นแล้วก็จักได้บรรลุพระอรหัตนตผลในภพที่เกิ ด, ด น, นั้นๆคือหมายความว่าผู้นั้นเหลืออีกชาติเดียวนะเหลืออีกชาติเดียวหรืออีกภพเดียวก็จะได้บรรลุพระอรหันต์ที่สองโกลังโกละแปล ว, ว่าผู้ท่องเที่ยวบังเกิดอยู่สองภพสามภพแล้วจึงจะได้บรรลุอรหัตนตผลอืม คือหมายความว่าโกลังโกละนี่ก็ยังที่จะต้องบำเพ็ญกิจในเรื่องการละกิเลสนานไปกว่าเอากับพีทีอีกหน่อยเพราะว่าจะต้องนานถึงสองภพสามภพจึงจะบรรลุอรหัตผลสามสะตะัตตุปรมมแปลว่าผู้มีอีกเจ็ดภพหรือว่าเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งได้แก่ท่านผู้ท่องเที่ยวอยู่ในภพอย่างช้าก็เจ็ดชาติก็จะได้บรรลุพระอรหัตผลนี่ อันนี้ถ้าหากว่าจะตั้งปัญหาถามว่าพระโสดาบันเอกับพีจีกับพระสกทาคามีมีคติกําเนิดต่างกันหรืออย่างไรถ้าอย่างนั้นใครจะเยี่ยมกว่าใครจงแสดงอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าต่างกันนะพระโสดาบันกับเอกพีพระโสดาบันเอกับพีจีเนี่ยต่างกับพระสกทาคามี คือพระโสดาบันเอกพีชีมีคติกำเนิดในมนุษสโลกหรือในเทวโลกอีกเพียงคราวเดียวเท่านั้นก็จะได้สำเร็จพระอรหันต์ส่วนพระสกทาคามีนั้นต้องไปเกิดในเทวโลกคนหนึ่งก่อนจุติจากนั้นแล้วจึงมาอุบัติในมนุษสโลกแล้วได้บรรลุพระอรหันต์พระโสดาบันเอกพีชเ ย, ยี่ยมกว่าพระสกทาคามีโดยคติกำเนิด แต่พระส ก, กทาคามีเยี่ยมกว่าในการละสังโยชนี่คือหมายว่าพระส ก, กทาคามีนั้นละสังโยชนได้สาม เ, เหมือนอย่างโสดาบันละได้แต่พร้อมกันนั้นก็ทําราคะโทสะให้เบาบางแต่พระโสดาบันนั้นก็ละได้สามคือสัพยาทิฏฐิวิจิกริชานีละพุทะ ส, สา ม, มารถเท่านั้นเองนะหรือถ้าจะมีปัญหาถามว่าการที่ท่านจัดระโสดาบันไว้เป็นสามจำพวกนั้นด้วยอํานาจอะไร คำว่าโกลังโกละแปลว่าอย่างไรและคำว่ากูละในที่นี้หมายความว่าอย่างไรอันนี้ก็แก้ได้เลยว่าที่ท่านจัดพระโสดาบันไว้เป็นสามพวกนั้นด้วยอํานาจคติกรรมเนิดของท่านแตกต่างยิ่งย่อนกว่ากันเร็วหรือช้ากว่ากันจัดอย่างนี้ด้วยอํานาจวิปัสสนาปัญญาซึ่งเป็นเครื่องพิจารณาสังขารธรรมเพื่อได้บรรลุมรรคผลเรื่องสูงขึ้นไปและมีกําลังยิ่งย่อนกว่ากัน คำว่าโกลังโกรละแปลว่าผู้ไปสู่กูละจากกูละไปสู่ผู้ง่ายๆไปสู่ตระกูลจากตระกูลผู้ไปสู่ตระกูลจากตระกูลไปสู่ภพนี้จากภพนี้และคําว่ากูละในที่นี้หมายเอาภพที่เกิดคือหมายว่าไปสู่ภพนี้จากภพนี้นะจากภพนี้แล้วก็ไปสู่ภพโน้นจากภพโน้นไปสู่ภพนี้เนี่ยกลับกันไปกลับกันมาอย่างนี้นะ หรือถ้าจะมีปัญหาถามกว่าพระโสดาบันละอุปาทานทั้งสีได้หมดหรือไม่จงแสดงมาอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าะละไม่ได้ทั้งหมดละได้เพียงทิฏฐุปาทานและศีละพุตุปาทานและอัตวาตุปาทานสามอย่างเท่านั้นอหรือถ้าจะตั้งปัญหาถามอีกว่าท่านผู้เป็นโสดาบันละนิวรหาย่างไหนได้หรือไม่ถ้าละได้คืออะไรบ้างอันนี้ก็ตอบได้เลยว่า อละได้คือวิจิกิจฉานิวรท่านทําการละสังโยชน์สามอย่างข้างต้นคือสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตปรลารมาสได้โดยสิ้นเชิงจึงได้นามว่าโสดาบันเอาละเกี่ยวกับการบรรยายเรื่องสมบัติสามก็ดีเรื่องศิขาสามก็ดีพระโสดาบันสามก็ดีก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร